แล้วก็เนรมิตอัตภาพที่ยิ่งใหญ่นั่งท่ามกลางอากาศอย่างนั้นแท้จะนั่งคัสสมาธิบนอากาศแล้วสนังกุมารพรมก็ได้กล่าวว่านะพวกเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่มาตลอดกาลนานเพียงไรนะถาว่าพระองค์นี้มีปัญญามานานยงถามว่าพระองค์นี้มีปัญญามานานหรือยงัอยงงั้นแ แต่ว่าคำถามลักษณะนี้ก็คือเป็นคำถามที่ประสงค์จะเล่าเองเนี่ยนะคือความจริงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเนี่ยนะไม่ใช่มีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญามากเฉพาะในช่วงที่พระองค์บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นแม้ในอดีตการเนี่ยนะพระองค์ก็เคยมีปัญญาที่มากอยูแล้ววงนะงั้ซึ่ง สนังกุมารพรมนะได้เล่าให้เทวดาชั้นดาวเดืองฟังว่าท่านผู้เจริญอ่างนั้นเคยมีพระราชาพระนามว่าที่ชมบดีมาแล้วนะที่สัมบดีมาแล้วพระเจ้าที่สัมบดีนั้นได้ทรงมีพรามที่ปรึกษาชื่อว่าโควินนะนะคล้ายว่าเป็นที่ปรึกษาของพระราชาพระเจ้าที่สัมบดีนั้นทรงมีพระราชบุตรนามว่าเรนุกุมาร สำหรับโควินธพรามนั้นได้มีบุตรชื่อว่าโชติปาระมานพเรียกว่าเป็นมานพที่พอเกิดมาพวกอาวุธเป็นต้นก็สว่างรุ่งเรืองไปหมดแล้วงั้นก็เลยมีชื่อว่าโชติปาลมานพด้วยประการชนีเนี่ยจึงได้มีเพื่อนแปดค น, น, นคือเป็นเด็กที่เล่นด้วยกันอยู่ประมาณแปดท่านก็คือเรนุราชบุตรแล้วก็โชติปาระมานพ กษัตริย์อื่นอีกหกองเขาก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินกันเนี่ยนะประมาณ8ดท่านด้วยกันครั้งนั้นแหละโดยล่วงการไปแห่งวันและคืนยว่าวันคืนผ่านไปล่วงไปเนี่ยนะโควินทพรามก็ทำกาละคือพ่อของโชตปิปาระมานพนี้ก็ตายไปครั้นโควินทพรามตายแล้วพระเจ้าที่สัมบดีก็ทรงคร่ำครวญว่าโอ้หนอ ในสมัยใดเรามอบหมายงานทุกอย่างในโควินทพราม อ, า อ, าอิมเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกาลมาคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ก็สมัยนั้นแลโควินทพรามตายไปเสียแล้วเนี่ยนะคนที่ปรึกษาราชกิจคนที่ช่วยเหลือการงานาการบ้านการเมืองเนี่ยก็ตายนีจจากไปแล้วนะพระราชาก็เลยเศร้าใจแทนที่มีอะไรก็จะได้มีที่ปรึกษาที่คุ้นเคยใกล้ชิดก็ไม่มีแล้วเมื่อพระเจ้าที่สัมบัีตรัสอย่างนี้แล้ว นะก็คล้ายรำพึงให้รำพึงในที่ประชุมะนะเรนุราชบุตรคือลูกชายก็เลยกลับทูลคำนี้กับพระเจ้าที่สับัดีว่าข้าแต่เทวะขอพระองค์อย่าทรงคร่ำครวนในเพราะโควินทพรามตายเลยลูกชายของโควินทพรามชื่อว่าโชติปาระยังมีอยู่ฉลาดกว่าบิดาเสียด้วยว่ากันไม่ต้องห่วงนะพ่อตายแต่ลูกยังอยู่ว่ากันลูกเนี่ยฉลาดกว่าพ่ อ, อ และด้วยสา ม, มารถม อ, อมองเห็นอัดเสียมากกว่าว่างั้นมองเห็นประโยชน์ว่าฉลาดในเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดมากกว่าพ่อซะอีกว่างั้นบิดาของเขาเนี่ยพร่ำสอนข้อความแม้เหล่าใดข้อความแม้เหล่านั้นเขาก็พร่ำสอนแกโชติปารมามนบทั้งนั้นเห็นันความรู้ทั้งหมดที่มีในพ่อนะรวมอยู่ในลูกหมดว่างั้นแล้วลูกยังฉลาดที่เสุดมากกว่าพ่ออีกว่างั้น ทีนี้พระเจ้าที่สัมบดีก็บอกว่าเอยอยังนั้นหรือพ่อกูมานว่ากันพระเจ้าที่สัมบดีก็ถามอย่างนั้นเทวะพระกุมารกราบทูลครั้งนั้นแหลพระเจ้าที่สัมบดีจึงทรงเรียกบุรุษคนใดคนหนึ่งมาสั่งว่านี่นะบุรุษเธอมานี่จงไปหาโชติปาระมานพแล้วจงกล่าวกับโชติปาระมานพอย่างนี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่โชติปาโชติปาระมานพผู้เจริญ พระเจ้าที่สัมบดีนี้เรียกนะโชติปาละมานพู้เจริญนะพระเจ้าที่สัมบดีทรงใคร่จะทอดพระเนตรโชติปาละมานพู้เจริญบุรุษนั้นก็รับสนองพระราชองค์การก็ไปตามโชติปาลมานพเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีก็บันเทิงเป็นอันดีกับพระเจ้าที่สัมบดีนะก็มาถึงก็ทับทายสนทนาปราศัยเพลพอเป็นที่บันเทิงกัน คั้นเสร็จสิ้นถ้อยคําชื่นชมพอให้เกิดความคิดถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่ส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าที่สัมบัดีก็พูดคํานี้กับโชติปาระมานพู้นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าขอให้ท่านโชติปาลจงพร่ำสอนพวกเราเถิดเหมือนกันก็คือเอามาตั้งไว้ในตําแหน่งอาจารย์งหม น, นขอท่านโชติปาระมานพยาทำให้พวกเราเสื่อมเสียจากคําพร่ำสอนเลย เราจะตั้งท่านไว้ในตำแหน่งบิดาเราจะอภิเสกในตำแหน่งท่านโควินอันโควินนี้เป็นชื่อของตำแหน่งว่างั้นแหละโชติปารละมานุกกรับสนองพระราชาองค์การของพระเจ้าที่สัมบดีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าขา่าพระราชาแต่งตั้งให้เป็นที่สอนอัดสอนทำสอนกิจการบ้านเมืองให้แก่พระราชาครั้งนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้าที่สัมบดีทรงอภิเสกโชติปาลมานุกในตำแหน่งโควินแล้วก็ตำแหน่ง ในตำแหน่งของบิดาแล้วโชติปาลมานพได้รับอภิเสกในตำแหน่งท่านโควินได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบิดาแล้วพร่ำสอนข้อความแม้เหล่าใดแก่พระเจ้าที่สัมบอดีนั้นก็พร่ำสอนข้อความแม้เหล่านั้นแม้ข้อความเหล่าใดที่บิดามิได้พร่ำสอนแด่พระเจ้าที่สัมบอดีก็มิได้พร่ำสอนข้อความแม้เหล่านั้นคือเรียกว่าดําเนินตามรอยพ่อมาเลยพ่อกล่าวอย่างไรก็กล่าวตามนะไม่ ส่วนไหนที่พ่อไม่ได้ทำไว้ก็ไม่ทำบิดามิได้จัดการงานเหล่าใดแก่พระเจ้าที่สัมบอดีก็ไม่ได้จัดการงานเหล่านั้นคนทั้งหลายกล่าวขวัญถึงเขาอย่างนี้ว่าท่านโควินทพรามหนอท่านมหาโควินทพรามหนอด้วยปริยาอย่างนี้แหละมหาโควินชื่อนี้จึงได้เกิดขึ้นแล้วแก่โชติปาระมานพพ่อนี่ได้มหาโควินเฉยใช่ไหแต่ลูกเนี่ยได้เป็นมหาว่า ง, งั้นมหาโควินผู้ยิ่งใหญ่ยางไน ครั้งนั้นแหลมหาโควินทพรามเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์เหล่านั้นแล้วก็ทูลคำนี้กับกษัตริย์6พระองค์เหล่านั้นว่าข้าแต่พระองค์พระเจ้าที่สัมบดีแลทรงพระราทรงพระชาลาแล้วเป็นผู้เท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วก็ใครเล่าหนาจะรู้ชีวิตข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ทีเดียวคือข้อที่ว่าเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้ว พวกข้าราชาการก็จะพึงอภิเสกเจ้าเรณุราชบุตรในราชสมบัติเหมือนกันตอนนี้ก็ชาราเต็มทีแล้วล่ะมาเถิดพระองค์ขอให้พระองค์นี้เข้าไปเฝ้าเจ้าเรณุราชบุตรแล้วทูลอย่างนี้ว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าแลเป็นพระสหายที่โปรดปรานที่ชื่นพระไทยไม่เป็นที่สอิดสเอียนของพระองค์เรณุใต้ฝ่าพระบาททรงมีความสุขอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าก็มีความสุขอย่างนั้นใต้ฝ่าพระบาทมีความทุกข์อย่างไร พวกข้าพระพุทธเจ้าก็มีความทุกข์อย่างนั้นพระเจ้าที่สัมบดีและทรงพระชาราแล้วเป็นผู้เท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปแล้วก็ใครเล่าเนาะจะรู้ชีวิตข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ทีเดียวคือข้อที่ว่าเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วพวกข้าราชบริข้าราชการก็จะพึงอภิเสก พ, พระองค์เรณุในราชสมบัติถ้าพระองค์เรณุพึงได้ราชสมบัติก็จะ เพิ่งทรงแบ่งราชสมบัติแก่พวกข้าพระพุทธเจ้านะไปตีสนิทขอราชสมบัติตั้งแต่ยังไม่เป็นพระราชาเลยว่าเราเป็นเพื่อนรักกันมากนะอันทาท่านได้เป็นพระราแผ่นดินนี่มาแบ่งกันนะอ่างนั้นเน่ยพระเจ้าเรโนก็ใจถึงเหมือนกันเออจะไปจะไปยากอะไรใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแบ่งได้อยู่แล้วนะทีนี้ต่างก็รับคําของท่านโควินทพรามณ์และเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าว อย่างที่โควินทมหาโควินทพรม์แนะนำทุกอย่างเจ้าเรโน ก, ก็ใจถึงจริงๆวนกนก็รับปากรับคำเหนนยรับปากรับคำว่าถ้าเป็นพระราชาแล้วจะแบ่งให้เหนครั้งนั้นแหละโดยล่วงการผ่านไปแห่งวันคืน ว, วันคืนเนี่ยเร็วเหมือนกับติด ป, ปีกบินเลยเนาะ 30, ปีเนี่ยวัดเดียวแนานี้น น, นะเหมือนฝันพระเจ้าที่สัมบดีก็สวรรคคต เมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วพวกข้าราชการก็อภิเษกเจ้าเรนุราชบทในราชสมบัติเจ้าเรนุก็ได้รับอภิเษกแล้วก็ทรงเอืบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกา ม, มคุณทั้งห้าให้บำเรออยู่นก็เป็นมหากษัตริย์แล้วนะครั้งนั้นมหาโควินทพรามก็เข้าไปเฝ้ากษัตริย์6องค์แล้วก็ได้กราบทูลคำนี้กับกษัตริย์6องนั้นว่าพระเจ้าที่สัมบดีก็สวรรคตแล้วแล เจ้าเรณุก็ได้รับอภิเษกด้วยราชสมบัติทรงเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมไปด้วยกา ม, มคุณทั้งห้าให้บำเรออยู่ก็ใครเล่าหนาะจะรู้ว่ากามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเมาเหมนนี่นะกามนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาเนี่ยใครถ้าได้ขึ้นครองราชมีอํานาจบาดใหญ่แล้วบางทีจะลืมเรื่องอื่นๆหมดเพราะฉะนั้นเชิญเถิดพระองค์พวกพระองค์จงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรนุแล้วกราบทูลว่าขอเดชะ พระเจ้าที่สัมบัดีของใต้ฟ้าและ อ, องทุลีพระบาทก็สวรรคตไปแล้วพระองค์เรณุเล่าก็ได้อภิเสกด้วยราชสมบัติแล้วพระองค์นี่ทรงระลึกถึงพระราชดํารัสนั้นได้หรือเคยนึกความหลังได้ไหมความหลังที่ว่าเมื่อเป็นกรรษัตริย์แล้วจะแบ่งแผ่นดินกันนะจะแบ่งสมบัติให้ครอบครองกันนะทีนี้ท่านกรรษัตริย์ก็เลยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ไปทวงแบบนี้กับ เจ้าเรโนเจ้าเรโนก็บอกว่าหม่อมชันยังจําได้อยู่ท่านแล้วก็ตรัสอีกว่าเออแล้วใครเล่าเนาจะสามารถแบ่งมหาปัตพีนี้ได้นะคือแผ่นดินอินเดียเนี่ยมใหญ่ใช่ไหมแต่ยังไงจะแบ่งใครอะ่ะจะมีความรู้ความสามารถแบ่งแผ่นดินได้นะที่ยาวไปทางเหนือและทางใต้เหมือนทางเกวียนให้เป็นเจส่วนเท่าเท่กากันได้นะผ่าแผ่นดินให้เป็นเจส่วนเล ทีนี้พวกกษัตริย์เหล่านั้นก็บอกว่าเออนอกจากมหาโควินทพรามแล้วใครล่ะที่จะสามารถแบ่งแผ่นดินได้ครั้งนั้นแหลพระเจ้าเรโน่ก็รับสั่งกับบุรุษคนใดคนหนึ่งมาว่าบุรุษเธอมานี่เธอจงเข้าไปหามหาโควินทพรามแล้วก็กล่าวกับมหาโควินทพรามอย่างนี้ว่าพระเจ้าเรโน่รับสั่งเรียกใต้เท้าว่ากันบุรุษนั้นก็รับสนองพระราชาองค์การก็ไปตามมหาโควินทพรามนั้นหลังจากทราบ ว่าพระราชารับสั่งหาก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุแล้วกราบทูลสัมโมทนียกถาพอให้คิดถึงกันแล้วก็นั่งนัทที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าเรนุได้ทรงมีพระราชดำรินี้กับมหาโควินทพราหมผู้นั่งแล้วนัทที่ควรส่วนข้างหนึ่งนั้นแหละว่าท่านโควินจงมาแบ่งมหาปัตพีที่ยาวไปทางเหนือและทางใต้เหมือนกับทางเกวียนให้เป็นเจ็ดส่วนอย่างดีเท่ากัน ท่านมาหาโควินทพรามก็รับสนองพระราชบัญชาของพระเจ้ารีนุแสดงว่าแผ่นดินเนี่ยแผนที่ประเทศเนี่ยอยู่ในมือของโควินทพามเนนะเพราะฉะนั้นมาแบ่งล็อกๆๆเนี่ยเหมือนบ้านจัดสรรไม่ยากใช่ไหมแล้วก็แบ่งเรียกว่าแบ่งชนิดอย่างดีซึ่งมหาปตพีนั้นที่ยาวไปทางเหนือและทางใต้เหมือนทางเกวียนเนี่ยเป็นเจส่วนเท่ากันคือที่สุดทุกส่วนให้เหมือนทางเกวียนเล่ากันมาว่า ส่วนตรงกลางนั้นเป็นชนบทของพระเจ้าเรนุส่วนอื่นๆก็คือรอบบริเวณก็จะเป็นของกษัตริย์หกองค์ที่เหลือเมือนเมืองที่โควินสร้างไว้แล้วเหล่านี้คือทันตะปุระแห่งแควนกาลิงคะเมืองนี้มหาโควินเป็นคนให้สร้างขึ้นโปตนาแห่งแควนอัศกะมหิศีคือมหิสายแห่งแคว้นอวันตีแล้วก็โรรุกะแห่งแควนโสจิระหรือสวิระนั่นเอง แล้วก็มิธิลาแห่งแคว้นวิเทหะแล้วก็สร้างเมืองจำปาในแควน้นอังคะแล้วก็พารานสีแห่งแควน้นกาสีนะครแบ่งแผ่นดินออกเป็นเจส่วนครั้งนั้นแลกศัตรย์6องค์นั้นเป็นผู้ชื่นใจเหมืนกันปกครองได้แผ่นดินมาปกครองแล้วก็ยิ้มะนะเนาะก็มีความดลิเต็มที่แล้วด้วยลาบตามที่เป็นของตนก็เลยคิดว่าโอ้พวกเรานี้ได้สิ่งที่เรา อยากได้สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราประสงค์สิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งแล้วว่างั้นสมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะครั้งนั้นมีมหาราชผู้ทรงภาระเจพระองค์ว่างั้นคือทรงพาระที่จะต้องดูแลแผ่นดินอยู่7คือพระเจ้าสัตตภูหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าเวสภูพระเจ้าภรตะและพระเจ้าเรณุพระเจ้ า, จ า, จาทัตรัตอีกสองพระองคนะ์มีกษัตริย์ในสมัยนั้น7องค์ด้วยกันเป็นเพื่อนกันทั้งหมดนั่นแหละ ครั้งนั้นแหลกษัตริย์ทั้งหองก็เข้าไปหาโควินทพรามแล้วก็ได้ตรัตคานี้กับมาหาโควินทพรามว่าท่านโควินผู้เจริญเป็นพระสะหายที่โปรดปรานที่ชอบพระทายไม่เป็นที่สะอิดสะเอียนของพระเจ้าเรณุฉันใดท่านพระโควินผู้เจริญก็เป็นสหายเป็นที่รักเป็นที่พอใจไม่เป็นที่รังเกียจแม้ของพวกเราฉันนั้นเถอะว่างั้นคือไปเรียบเคียงปรึกษาให้เป็นตําแหน่งตําแหน่งที่ปรึกษาว่างั้นนะนะ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านพระโควินท่านพรามโควินผู้เจริญโปรดพร่ำสอนพวกเราเถิดขอท่านพรามโควินอย่าให้พวกเราเสื่อมเสียจากคําพร่ำสอนเลยเพราะฉะนั้นท่านพรามมหาโควินก็ทูลสนองพระดํารัสของกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ผู้ได้รับมูระทาพิเศษเสร็จแล้วเหล่านั้นว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็คื อ, อรับเป็นที่ปรึกษาให้เหมือนกันที่พร่ำสอนอัดทาให้ครั้งนั้นแหละ พราหมโควินพร่ำสอนพระราชาเจ็องค์ผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษด้วยราชสมบัติแล้วด้วยอนุษาสนีนะ<ม>คือสอนกษัตริย์7องค์ด้วยกันนะนะ<ม>แล้วก็สอนพราหมมหาสารอีกเจคนสอนมนแกข่ขราชชาบริวารอีก700คนางา น, นงานหนักมากนะเทียบงานหนักครั้งนั้นแหละโดยสมัยอื่นอีก เกียรติศั์อันงามอย่างนี้ของพรามโควินได้กระชอนไปว่าพรามมหาโควินอาจเห็นพรหมพรามมหาโควินอาจสากัดฉาสนทนากับพรหมว่าไงปรึกษางานกับพรหมได้โอ้ยคนเก่งขนาดนี้แสดงว่าน่าจะต้องมีพรหมเป็นที่ปรึกษาวงง่า้นเขาน่าจะคุยกับพรหมได้นะเขาจึงปกครองดูแลกิจการบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยกษัตริย์ที่ที่ต้องเขาเรียกว่าทําตามคําพูดของมหาโควินแต่พรามตั้ง7จ็ดองอ่ะ นะครับเราปกครองบ้านเมืองทั้งเ็บ้านเจเมืองเหมือนกันเถอะครั้งนั้นแหละความตรึกนี้ได้มีแล้วแก่พราหมณ์มหาโควินว่าเกียรติศักด์อันงามอย่างนี้ของเราแลกกระชอนไปแล้วว่าพราหมณ์มหาโควินอาจเห็นพรหมพราหมณ์มหาโควินอาจสากัะช้าแก่พรหมสนทนาปรึกษากับพรหมจึงคิดว่าเอ้เราเองก็ไม่เคยเห็นพรหมไม่เคยสากระช้ากับพรหมไม่เคยสนทนากับพรหมยังไม่ได้ปรึกษากับพรหมเลยเหมือนน เกิดมายังไม่เคยเห็นพรหมเลยเนี่ยนะแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขาระบือลือไปหมดเลยว่าเราเนี่ยสามารถคุยกับพรหมได้แต่เราได้ฟังคํานี้ของพวกพราหมณ์ผู้เท่าผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ของอาจารย์กล่าวอยู่ว่าผู้ใดลีกเร้นสี่เดือนในฤดูฝนเพ่งกรุณาอยู่คือเจริญพรหมวิหารสี่อยู่ผู้นั้นอาจเห็นพรหมได้ย่อมสากระชาสนทนาปรึกษากับพรหมก็ได้เพราะเหตุนั้น ถ้าฉะนั้นเราเพิ่งหลีกเล้นสี่เดือนในฤดูฝนเพิ่งเพ่งกรุณาชานันเอออยากเห็นพรมจริงๆไว้นี่เขาบอกว่าอาจารย์ท่านอธิบายว่าธรรมดาชื่อเสียงที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะการทําให้ชื่อเสียงเกิดขึ้นไม่ยากแต่การที่จะรักษาชื่อเสียงไอ้คุณสมบัติที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยลองดูอยากไปสนทนากับพรมดูสิจะเป็นยังไง นะก็เลยอยากหลีกเกรฑ์เจริญกรุณาชานเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปล่ําราพระเจ้าเรนุนะว่าจะขอหลีกเกรฑ์สักสเดือนในฤดูฝนเหมือนกันะก็เลยเข้าไปลาพระเจ้าเรนุอันนะพระเจ้าเรนุก็บอกว่าเออเ อ, อ่ะก็เข้าไปบอกนะว่าข้าพระองค์นั้นจะเพ่งกรุณาอยู่ก็บอกว่าผู้ที่เจริญกรุณาอย่างนี้เนี่ยนะเจริญพรห ม, มิหารอย่างนี้ก็สา ม, มารถที่จะสนทนากับพรหมได้ เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงอยากจะหลีกเลนสักสเดือนในฤดูฝนเพ่งกรุณาชานเป็นผู้อันใครๆไม่พึงเข้าไปหาเลยยกเว้นแต่ผู้นำอาหารคนเดียวพระเจ้าเรโนก็บอกว่าบัดนี้ท่านโควินผู้เจริญย่อมสำคัญเวลาอันสมควรนนจะขอหลีกเลนก่อน4เดือนนกะ้นก็เข้าไปลาพระราชาองค์ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปลากษัตริย์อีก6องคนะว่าออจะขอไปลีกเนสักสเดือนนะ กษัตริย์ทั้ง6องก็อนุญาตเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพราหมณ์มหาศารทั้ง7คนและข้ารา ช, ชบริพารอีก700รเข้าไปลาอย่างเดียวกันนี่แหละว่าข้าพเจ้านี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างนี้เหมนกันทั้งเกิดไม่เคยเห็นพรมรอกแต่คนเข้ายกย่องว่าเห็นพรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะขอหลีเกเล่นสัก4เดือนนะพวกพราหมณ์เป็นต้นก็รับคาให้คิดแล้วว่าหลับอยู่ข้างบ น, นนะ ไม่เป็นไรมาคืนงานหนักหน่อยคนตกหนักนะครั้งนั้นแหละพรามก็เลยเข้าไปหาภรรยามหาโควินทรามีภรรยาเท่าไหร่นีฮสี่สิบก็พอแล้วมหาโควินทรามเข้าไปหาภรรยาสี่สิบนางพูดเสมอกันแล้วด้วยชาติก็คือมีชาติพราหมณ์เหมือนกันหมดเนี่ยนะ ได้กล่าวคำนี้กับภรรยาทั้ง40นางพูดเสมอกันว่าชั้นเนี่ยมีชื่อเสียงเขาลือมาว่าสา ม, มารถคุยกับพรหมได้แต่ว่าสรุปแล้วก็ยังคุยกับพรหมไม่ได้จะขอหลีกเล่นสัก4เดือนเหมันนะแล้วก็ไม่ให้ใครไปกวนนะวเว้นแต่คนส่งอาหารคนเดียวนะพวกนางก็ตอบง่ายนะว่าบัตรนี้ท่านโควินผู้เจริญย่อมสำคัญเวลาอันควรเถิดเหม น, นครั้งนั้นแลมาหาโควินธพราม ให้สร้างสันทาคารใหม่ในทางทิศตะวันออกแห่งพระนครนั่นเองแล้วก็หลีเกเล่นนะให้ไปสร้างกุฏิจางเี่เลยนะที่เงียบห้ามคนไปเกี่ยวข้องว่างั้นเพราะฉะนั้นจนในฤดูฝนสี่เดือนเพ่งกรุณาชานแล้วไม่มีใครเข้าไปหาท่านนอกจากคนส่งอาหารอยู่คนเดียวครั้งนั้นแหละโดยล่วงไปสี่เดือนความกระสันได้มีแล้วทีเดียวกร ะ, ะสันก็คือ ม, มันไงมันกระวนกระวายเนี่ยนะ ความหวาดสืดุ้งก็ได้มีแล้วแก่มาหาโควินทะพราหมว่าก็แหละเราได้ฟังคํานี้ของพราหมผู้เท่าผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ของอาจารย์พูดกันอยู่ว่าผู้ใดลีกเร้นอยู่ตลอดสเดือนในฤดูฝนเพ่งกรุณาชานอยู่ผู้นั้นจะเห็นพรหมได้จะสากัะชา้าจะสนทนาจะปรึกษากับพรหมก็ได้แต่ส่วนเราเนี่ย เห็นพรหมไม่ได้เลยมัาอยู่ต้องเกือบจะสี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีพรหมองค์ไหนเหาะมาให้เห็นสักองเลยเนาะจะให้เราก็ไม่ได้สากัดชาดกับพรหมไม่ได้สนทนากับพรหมไม่ได้ปรึกษากับพรหมเลยเนี่ยจะครบสี่เดือนอยู่แล้วเนี่ยเกิดเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะออกไปแล้วจะไปเล่าให้กรรษัตริย์ฟังว่ายัางไงในอุษาหลีกเล่นมาตั้งหกเดือนแล้วเนาะทีนี้พอสีอ่เดือนนะครั้งนั้นแหละพรหมนี่ก็ สนังกุมารพรมในทราบความคิดทางใจของมหาโควินทพรหมุด้วยใจพรมนี้ก็ดีนะรู้ใจหมดว่าใครคิดอะไรปัญหาว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่เขาอยากรู้เนี่ยคิดแวบเดียวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าใครคิดอะไรแล้วก็หายไปในพรหมลูกมาปรากฏต่อหน้ามหาโควินทพราหม์เหมือนบุรุษผู้มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือพึงคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นเนี่ยนะไปง่ายเนี่ยนะ พูเข้าเหยียดออกเนี่ยแขนเนี่ยจะไปยากเลยเนาะแล้วบางทีก็ดีดนิ้วมือเนี่ยแม้เดียวแค่นั่นน่ะนึกก่อนไปแล้วนะเร็วเหมือนเราจุติเลยอ่ะเราจุติกับพรหมหายจากโน่นมานี่นะอ่ะเขามีคําถามว่าถ้าเราตายจากนี่ไปเกิดในไปเกิดในบริเวณเชียงใหม่ตายจากตรงนี้ไปเกิดที่กรุงเทพตายจากตรงนี้ไปเกิดในดาวดึงตายตรงนี้แล้วไปเกิดในพรหมโลกหรือตายตรงนี้ไปเกิดในอเมริกาเนี่ย จะต้องเดินทางที่ไหนจะไปใช้ใช้การเดินทางมากกว่ากันเท่ากันนะมเอาให้ตผลด้วยทําไมจึงเท่ากันอธิบายก็เอยจะไปะยากอะไรเอางี้สิเอาลองนะยอมหมอนึกถึงบ้านที่เชียงใหม่ให้พู้การนึกถึงอเมริกาเนี่ยใครจะนึกจะได้เร็วกว่ากันเท <c oughs> ่ากันนะเนาะนั่นแหละความคิดมันเร็วแบบนั้นอ่ะก็ มันเดินทางทางความคิดอะนะเว็บเดียวก็คิดไปถึงแล้วใช่ไหมใครนึกถึงพรห ม, มโลกว่าเว็บเดียวเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอเวจีนี่ก็เว็บเดียวเหมือนกันนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดแต่และเวแบแต่และเว็บเนี่ยพยายามถนอมไว้เนะประคองรักษาจิตเหมือนกับรักษาทรัพย์เถอะนะคิดยังไงไม่ให้มันเป็นบาปนั่นแหละเป็นภาระหน้าที่ของของเราทั้งหลายความคิดเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างานะใหม่นะความคิดเกิดจากปัจจัยไหนบ้าง ต้องบอกว่าความคิดทางทาวารไหนนะถ้าความคิดทางจากครูทวารเกิดจากตากับสีเนี่ยนะความคิดทางจากครูทวารก็เกิดหูกับเสียงความคิดทางโสตทาวารก็เกิดจมูกกับกลิ่นความคิดทางขานทาวารก็เกิดลิ้นกับรสความคิดทางชิวหาทวารก็เกิดทางกายกับใจความคิดทางกายทาวารก็เกิดหรือว่าธรรมะ คือมโนโคือผวังพื้นฐานเดิมคือผวังกับเรื่องราวต่างๆนี่นะเรื่องราวในตรงนี้เนี่ยเราจะคิดเรื่องไหนก็ได้นะเพราะเรื่องราวมีอยู่แล้วใช่ไหมมนสิการปั๊บเรื่องราวเหล่านั้นนั้นก็จะเกิดขึ้นความคิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมก็เหมือนกับจะให้หัวเราะได้ไหมนะถ้าหาปัจจัยก็หัวเราะได้ถ้าหาปัจจัยก็ร้องไห้ได้ดังนั้นความคิดเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยนั้นๆ อันเมื่อเกิดด้วยปัจจัย น, นั้นเนี่ยถามว่าเราจะรักษาอย่างไรเ mm hmm. นี่ยๆรักษาอย่างไงจึงจะให้ใจเป็นไปกับกุศลได้ลองลอ ง, ลองตรงนี้นะใครมีเทคนิคดีๆมั่งมามาช่วยช่วยบอกกันหน่อยใครมีวิธีสมมติจะคิดให้เป็นกุศลเนี่ยอยู่คนเดียวเงียบๆจะคิดอะไรให้เป็นกุศลอะลองดูนะว่าใครเนี่ยจะเจ็งที่สุดนะลองยกตัวอย่างมาก่อนคุณหมอว่างไง ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยจะคิดยังไงอ่าก็บอกว่ามีกุศลและจิตเลยอ่ะนะอยู่แล้วสามารถคิดแล้วเป็นที่พึ่งทางความคิดแก่ตัวเองได้อะก็ะดูว่าใครจะมีสารณะก็อยู่ตรงนั้นแหละคนไม่มีสาระนก็เลื่อยเปื่อยอ่านหนังสือพิมพ์กับหนัง ส, สือพิมพ์เป็นสาระก็ป้ายกับเรื่องหนังสือพิมพ์นั่นแหละใครดูทีวีก็ป้ายกันเรื่องในทีวีใครคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยก็นึกถึงธรรมะได้บ่อย ใครนึกถึงพระธรรมคำสอนได้บ่อยก็สามารถที่จะคิดที่จริงเรื่องที่เราคิดเนี่ยบ่งบอกถึงความคิดอันนั้นนะเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยบอกได้เลยว่าความคิดอันนั้นคืออะไรถ้าจุติขณะนั้นไปไหนดีออพระเราไปตามกรรมของพระงั้นะไรโยมไปตามกรรมของโยมนะคิดเอากันแล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสาระนี่แหละก็จะเลือกคิดนะนะก็เลือกทากรรมทางความคิด ภาษาสดาของเราแนะนําว่าอย่างไรทำอย่างไรเราจะนึกถึงอย่างที่พระองค์ได้ทรงบอกเด่นนะก็คือคนที่ศึกษาพระธรรมมากก็สามารถหาเหตุหาปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้มากเพราะไม่มีอะไรที่พระธรรมไม่ได้กล่าวถึงเลยเด่นนะมีไหมพระธรรมไม่กล่าวถึงสิ่งนั้นนั้นเลยเพียงแต่คนละชื่อเท่านั้นเองเด่นนะแสงสว่างพระธรรมก็กล่าวถึงใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงแสงสว่างเหมือนกัน บ้านช่องห้องหอเรือกสวนไร่นาที่ดินแผน่นดินต้นไม้ใบหญ้าพระธรรมกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นนั้นหมดเลยทีนี้ทํายังไงเราจะสามารถเห็นทุกอย่างแล้วก็ตรึกไปกับพระธรรมได้ดังนั้นอย่างการมาฟังทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลว่าออฟังตรงนี้ก็จะได้คิดตามแล้วไปที่อื่นดูแล้วก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้นี่แหล ะ, ะฟังขณะนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยแห่งความคิดครั้งต่อๆไป เพราะนนการเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยนะได้ทั้งรับรู้ด้วยได้รับรู้สิ่งนั้นนั้นด้วยและได้อุปนิสัยจากสิ่งนั้นๆด้วยอันสิ่งนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลือกเลือกซ่องเสพใช่ไหมเลือกเข้าไปซ่องเสพในแต่ละสิ่งถ้าเป็นคนเนี่ยนะอาเซวนาจะพาลา น, นังคนที่กล่าว น, นะสมมติถ้าเขาพูดพูดแล้วเป็นอกุศลก็ไม่ควรเกี่ยวข้อง ถ้าเขาสนทนาแล้วเขาพูดเป็นไปกับอุสนก็ควรที่จะฟังเป็นต้นนั่นเองอันมงคลสามสิบแปขึ้นต้นด้วยอเสวานาจะพารา น, นังให้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ที่ควรเกี่ยวข้องควรควบคว ร, คว ร, ควรส่องเสพเป็นต้นเพราะว่าเราจะได้ทั้งความรู้เรียกว่าได้รับรู้สิ่งนั้นๆด้วยและจะได้อุปนิสัยจากสิ่งนั้นๆด้วยการฟังทำเหล่านี้ก็เหมือนกันการฟังแล้วจะทําให้เราได้อุปนิสัยไป นนทุกเรื่องทุกเรื่องที่เร า, าเข้าไปเกี่ยวข้องให้อุปนิสัยหมดเลยทั้งดีและชั่วเพราะอย่าลืมนะว่าเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยตอนต้นเลยนะวิบากวิญญาณก่อนแต่ว่าวิบากไม่ได้เกิดอย่างเดียวใช่ต่อด้วยชาวนะเมื่อต่อด้วยชาวนะชาวนะอนั้นเนี่ยโดยปัจจัยกรรมะปัจจัยก็เรื่องของกรรมะปัจจัยไปเนี่ยนะโดยอุปนิสัยปัจจัยก็อุปนิสัยปัจจัยไป เนี่ยนะเรานั้นเราจะได้ทั้งทํากรรมะปัจจัยด้วยทั้งทำทั้งอุปนิสัยปัจจัยแก่ชีวิตของเราต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี้พระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เลือกเนี่ยนะถ้าใครเลือกคิดได้ก็เลือกเกิดได้เอาเถนะน่าจะเลือกได้นะคิดไม่ยากเนี่ยคิดเอาทั้งนั้นนะเนาะคิดถึงพระผู้เจ้าอย่างนี้ก็คิดแต่ทำไมไม่ค่อยคิดเนี่ยถ้าคิดได้บ่อยๆคนนั้นก็เลือกเกิดได้แล้วเพราะมีถ้าคิดถึงพระผูาา้เจ้าบ่อยๆเป็นศรัทธาใช่ไหม นึกอันนั้นก็เป็นศรัท ธ, ธาเพราะผู้ที่มีศรัท ธ, ธาก็เท่ากับมีทรัพย์และแถ้าคิดบ่อยๆพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรามีหิริโอตปะรังเกียจต่อกายกรรมที่เป็นบาปรังเกียจต่อคําพูดที่พูดด้วยอํานาจอกุศลรังเกียจต่อจิตใจที่เป็นไปกับบาปอากุศลเพราะนั้นเราก็จะมีทรัพย์คือหิริโอตปะเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะแทนที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั่วไปไหนๆก็ฟังแล้วก็มาฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังพระธรรมคําสอนเป็นต้นเราก็จะได้ทรัพย์คือ สุดตกเนี่ยนะก็จะมีจารคะเนี่ยนะรู้จักให้รู้จักเสียสละมองเห็นเหตุเห็นผลเต็มที่ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ามีทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้ก็เลือกที่ไปได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็เดินทางแวบเดียวเหมือนกับพรหมมามนุษย์นั่นแหละมัน เ, เราจะไปที่ไหนเนี่ยนะที่จริงถ้าเราตายเนี่ยไม่ยากนะหนึ่งชั้นต้นก่อนเปลี่ยนอะไรรู้ไหมเปลี่ยนอารมณ์ก่อนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ที่เหลือเปลี่ยนวัตถุเท่านั้นแหละเรียกว่าเปลี่ยนภพแล้วเปลี่ยนอารมณ์กับเปลี่ยนวัตถุเรียกว่าเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพเกินแต่ถ้าเปลี่ยนอารมณ์เท่ากับเปลี่ยนภาษาใช่ไหมถ้าเปลี่ยนอารมณ์นี่เปลี่ยนภาษาถ้าเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนเวทนาถ้าเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนความคิดแล้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าในโลกนี้จะมีความคิดใดที่แน่นอนเนี่ยนะ ความคิดที่แน่นอนเนี่ยเท่าที่ศึกษาก็คือความคิดของของพระโพธิสัตว์ที่ท่านปรารถนาเพื่อบรลุสัมมาสัมโพธิญาณแนวความคิดอันนี้ท่านไม่เลิกไม่ไม่เปลี่ยนแปลงว่างั้ น, นท่านมีฉันทะเรื่องนี้อย่างแรงกล้าส่วนที่เหลือเนี่ยนะยากมากมันแล้วแต่ปัจจัยะนะเรียกว่าได้ปัจจัยก็หัวเราะได้ปัจจัยก็ร้องไห้ได้ปัจจัยก็เฉยเฉยว่า ง, งนะั้นแหะตามแต่ปัจจัยแต่อย่าลืมว่าปัจจัยนี้มีอิทธิพล ต, ต่อชีวิตอย่าง อย่างสูงมากแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญเลยนะต่อชีวิตมีอยู่สองอย่างปัจจัยที่สำคัญ 1. โยนิโสก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความคิดของเรามาก 2. การฟังข้อมูลข่าวสารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความคิดของเรามากเขาเราาียกว่าปรตโตโศะว่างั้น 1. โยนิโสกับปรตโตโคะสองอย่างเ น, นี่ยนะเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิระยะตรงกันข้ามการคิดนี่ก็เป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิด้วยนะ ที่เราเรื่องอะไรที่เราคิดด้วยนะหรือข้อมูลข่าวสารที่เรารับจากภายนอกก็เกื้อกูลต่อมิจฉาทิฏฐิด้วยนั้นทั้งสองอย่างทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฐิแต่ว่าเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิมีแปดอย่างนะนะนับตั้งแต่เรื่องขันเรื่องวิตกเรื่องปาปมิตรอโยนิโสพวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฐิทั้งนั้นเลยนะนี่จะไปไกลละนะพรมก็กาลังหายมาหาพ ร, พระเจ้า เรานิทานอย่างเดียวนะไม่มีธรรมะแทรกเลยก็ลำบากของกันฟังฟังไปออจบเล่านิทานเป็นก็บอกว่าถ้ามาฟังเอาเรื่องให้เฉยเนี่ยนะไม่ยากของเรานี่อ่านซื้อเก่งมันทำไม อ, อ่านเองได้เลยสบายเลยนะทีนี้ต่อไปว่าพรมนี้ก็หายตัวมาปรากฏต่อหน้ามหาโควินทรามเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง เหยียดแขนที่คู่หรือพึงคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้งนั้นแลมหาโควินทพรามมีความกลัวตัวสัน่นขนพองสยองกลาหัวกั้นเพราะเห็นรูปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นนะยูู่แสงสว่างวาบขึ้นมาเลยนะจะว่าไงหรือว่าอยููนูนี่เครื่องบินมาจอดต่อหน้าเรานี่ก็ไม่ไหวแล้วเนอะหรือหอมาลงข้างหน้าเราเนี่ยรับได้หรือเปล่าเห็นไหมหรือว่ารถมาจอดข้างหน้ายึข้างหน้าแล้วก็ตกใจไปหน่อยนึงนะ นั่นแหละอันนี้มหาโควินดพราหมกก็เหมือนกันอยู่ๆแล้วแสงสว่างจ้ามาปรากฏข้างหน้าก็เรียกว่าตัวสันขนพองอ่างนั้นครั้งนั้นแหลพราหมณ์มหาโควินกลัวแล้วสลดแล้วเกิดขนชูชันขึ้นได้กล่าวกะพรมสนังกุมารด้วยคาถาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครมีรัศมีมียศมีสิริพวกเราไม่รู้จักท่านจึงขอถามท่านทำอย่างไรพวกเราจึงจะรู้จักท่านเล่า ทำไงนะจะได้รู้จักกันพรมก็ตอบว่าพวกเทพทั้งปวงในพรมโลกย่อมรู้จักเราว่าเป็นกุมารมานมนาแล้วทวยเทพทั้งหมดก็รู้จักเราโควินท่านจงรู้อย่างนี้บอกข้าพเจ้าชื่อว่าสนังสันังกุมารพรมเหมือนกันเถอะหมาโควินก็เชื้อเชิญว่านี่ที่นั่งน้ำนั่นน้ำมันทาเท้าแล้วก็ขนมสุกคลุกด้วยน้าผึ้งสาหรับพรม ขอเชิญท่านขอเอ่ของควรค่าขอท่านจงรับของควรค่าของข้าพเจ้าเถิดว่าไนพรมนี่ก็ใคร่ครวัวดูเอ๊พราหมณ์นี่ทําไมให้เราเนี่ยนะเขาจะมากินทําอะไรเนอะพรมนี่กินไหมกินข้าวสก์กินขนมสดนะอยู่ด้วยไงปติอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพรมนี่คร่ครววก็รู้อยู่แล้วว่าโอเขาต้อนรับด้วยวัดว่า้นเป็นวัดที่จะต้องต้อนรับผู้มาเยือนเนี่ยนะว่าจะต้องมี อย่างเหมือนบ้านเราก็แขกไปไทยนาะแขกไปไทยมาก็หานาหาหาข้าวเป็นต้นต้อนรับนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเขาทำวัดเป็นวัดอย่างหนึ่งเหมือนกันพราะนพร้อมก็เลยตอบว่าโควินท่านพูดถึงของควรค่าใดเราจะรับเอาของควรค่านั้นของท่านานะนะก็คืออ้าให้ก็รับละอย่างนั้นแตแต่รับกินไม่กินอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ารับละ เราเปิดโอกาสแล้วท่านจงถามอะไรอะไรที่ท่านปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในเบื้องหน้านะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาเลยนะเป็นชาวบ้านนะถามเรื่องแรกถามอะไรด้วยจําแม่เนื่องน ะ, <c oughs> ะแสดงว่าเดากันทูงกันเนะเบรกเด็เดเลยเนะคร <c oughs> ั้งนั้นแหละความคิดนี้ได้มีแก่มหาโควินทพราหมว่า เรานี้เป็นผู้ที่สนังกุมารพรมเปิดโอกาสให้แล้วเราพึงถามอะไรนอแหละกับสนังกุมารพรมประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในเบื้องหน้าถามปัญหาชีวิตเนี่ยจะถามเอาแบบไหนดีครั้งนั้นแหลความคิดนี้ได้มีแล้วแก่มหาโควินทพรามว่าสําหรับประโยชน์ในปัจจุบันเราเป็นผู้ฉลาดแลแม้คนเราอื่นก็ย่อมถามประโยชน์ปัจจุบันกับเราเนี่ยนะก็คือเป็นที่ปรึกษากษัตริย์เจพระองค์งนะนะ มีคนที่ปรตที่ทำงานใกล้ชิดเนี่ยนะเป็นพรามมหาสารที่ร่ำรวยมากเจดและมีลูกศิษย์อีกเจ0ดร้อยเนี่ยนะเป็นปกติว่า ง, งันเถอะที่คอยรับฟังอยู่แล้วเนี่ยประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะแผ่นดินทั้งหมดนี่ก็มีแต่คนไปถามเขาอย่างเดียวอยากันนั้นเลยเราพึงถามประโยชน์ที่เป็นไปในภพบเบื้องหน้าเท่านั้นกะสนังกุมารพรมครั้งนั้นแล้มหาโควินทพรามจึงได้กล่าวคาถากับสนังกุมารพรว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสงสัยขอถามท่านสนังกุมารพรมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาที่เพิ่งรู้อื่นคำถามมีอยู่ว่าสักว์ตั้งอยู่ในอะไรและศึกษาอยู่ในอะไรจึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตายได้สรุปแล้วศึกษาปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปพรหมโลกเนี่ยคถามเานะเพราะเขาเกิดเป็นพรามเนี่ยพรามนะตายแล้วก็อยากไปเกิดอยู่กับพรหมหรืออยากตายแล้วอยากไปเกิดเป็นพรหมว่างัน้น สอถามหาข้อศึกษาและวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นพรหมสนังกุมารพรหมก็เลยตอบว่าดูก่อนพรามสัตวละความยึดถืออัตตาว่าเป็นของเราในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้โดดเด่นน้อมไปในกรุณาปราศจากกลิ่นเหมน็นเว้นจากเมถุนตั้งอยู่ในธรรมะนี้และเมื่อศึกษาอยู่ในธรรมนี้ จึงจะถึงพรหมโลกที่ไม่ตายได้เนี่ยนะคำตอบเขาก็สั้นๆว่างั้ น, น, นละความยึดถือว่าเป็นอาตาัตราว่างั้นในสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นแล้วก็แสดงว่าละบ้านละเรือนเนี่ยนะไปอยู่เด่นแต่เพียงผู้เดียวเป็นต้นน้อมใจในไปกรุณาแล้วก็เป็นคนที่ปราศจากเปลี่ยนเหม็นปราศจากการเกี่ยวข้องด้วยกามศึกษาอยู่ในธรรมะแบบนี้นี่แหละจึงจะถึงพรหมโลกเป็นที่ที่ไม่ตายทีนี้ มหาโควินทภามฟังแล้วเข้าใจทันทีเลยว่าข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าละความยึดถืออัตตาเป็นของเราได้แล้วอธิบายว่าเนี่ยนะคำนี้อธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้สละกองโพะเออสละกองโภคะน้อยหรือสละกองโภคะมากสละเครือญาติน้อยหรือสละเครือญาติมาก ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดบวชเป็นบรรปชิตข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าละความยึดถืออัตตาเป็นเราได้แล้วละความยึดถืออัตตาในที่นี้ก็คือสละทรัพย์สินวงศาคณาญาตออกบวชนั่นเองหังนั้นเถอะนี่ข้อแรกบวชนะไม่ต้องย้ำมากก็ได้นะลูกเร่งเนาะบวชหังนั้น ต่อไปบอกว่าข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าเป็นผู้เดี่ยวโดดเด่นนะเป็นผู้เดียวอยู่โดดเด่นก็คือคนบางคนในโลกนี้ใช้ที่นอนที่นั่งเงียบั้นนต้องหลีกเลนนะหลีกเลนอยู่ที่ป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าเขาป่าช้าราวป่ากกลางแจ้งลอมฟังดังว่ามานี้ข้าพเจ้านั้นย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าเป็นผู้เดียวโดดเด่นนะคือบวชแล้วสองต้องกายวิเวกว่างั้น หาที่วิเวกขรงมานี่ตอนนี้วิเวกเลยคนเดียวคนนี้ข้อว่าน้อมไปในกรุณาเอ็อนอยากหน่อยคําว่าน้อมไปในกรุณาก็คือข้าพเจ้านั้นย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าคนบางคนในโลกนี้แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งมีใจสหรคตด้วยกรุณาอยู่เนี่ยนะคือไปอยู่โดดเดี่ยวในที่เงียบแล้วเจริญพรหมวิหารขั้นต้นก็คือเจริญกรุณาแผ่กรุณาไปในทิศที่หนึ่ง ทิศที่สทิศที่สทิศที่สก็อย่างนั้นแพ่ใจไปด้วยนะแพ่ไปด้วยใจที่สอหรคตด้วยกรุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อหวังดีเขาเรียกว่าเห็นแล้วสัตว์ทั้งโลกเนี่ยน่าสงสารหมดคิดความคิดไปในทิศตะวันออกสัตว์ในทิศตะวันออกก็น่าสงสารไปหมดคิดไปในทิศไหนไหนสัตว์ทุกๆทิศก็น่าสงสารน่าเห็นใจมีใจกรุณาอย่างนี้ไปหมดไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีใจสหรคตไปด้วยกรุณาไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทกว้างขวางถึงความเป็นใหญ่ไม่มีจํากัดตลอดทิศทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างเบื้องขวางทุกแห่งตลอดพรหมโลกตลอดโลกทั้งหมดอย่างทั่วถึงอยู่ดังที่ว่ามานี้ข้าพเจ้านั้นย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านว่าน้อมไปในกรุณาก็คือฟังคําว่าน้อมใจไปในกรุณาก็คือจเจริญกรุณาไปทุกทิศเหมือนั้นเนี่ย อันนี้ยกกรุณาขึ้นเป็นหลักแสดงว่ากล่าวถึงพรหมวิหารทั้ง4ประการแล้วก็แล่ข้าพเจ้าย่อมไม่รู้ทั่วถึงจากท่านผู้กล่าวถึงกลิ่นที่เหม็นเอกลิ่นเหม็นเนี่ยกลิ่นดิบเป็นยังไงกลิ่นดิบกลิ่นเหม็นเนี่เป็นยังไงนะนี่ฟังไม่เข้าใจว่างั้นก็เลยถามว่าข้าแต่พรหมในหมู่มนุษย์มีกลิ่นเหม็นอะไรหมู่มนุษย์ในโลกนี้ไม่รู้จักกลี่นเหม็นเหล่านี้ทีระว่างั้นข้าแต่ท่านผู้เป็นนักปราช ท่านโปรดกล่าวหมู่สัตว์อันอะไรร้อยรัดจึงมีกลิ่นเนา่าเออกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นนีนะกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นหรือในอามะคันตะสูตรเขาเรียกว่ากลิ่นเหม็นข้าวนี่นะฟุ้งไปกลายเป็นสัตว์อาบายมีพรหมโลกอันปิดแล้วทําไมนะหมูสัตว์จึงมีกลิ่นเน่าเหม็นว่างั้นเถอะเลยอาบายทุกขติวินิบาตนระกเปิดหมดเลยแต่ปิดทางให้ปิดทางแห่งพรหมโลกใช่ไหม แทนที่จะไปดีก็อดเลยอย่างเงี้ยพรมก็ตอบว่านะฟังดูนะเกลิ่นเหมน็นกลิ่นเน่ากลิ่นขาวนี่ก็คือหนึ่งความโกรธเห็นไหมโกรธเมื่อไหรก่ก็เน่าทุกทีเลยนะกลิ่นเน่าเนี่ยฟุ้งกระจายออกไปแล้วก่อนถ้ายิ่งพูดด้วยห้่นเน่าหนักกว่านั้นอีกสองความเท็จเนี่ยนะมุสาววาดนี่ก็ชื่อว่ากลิ่นเน่ากลินนน่นเหม็นเหมือนกันความหลอกลวง ความประทุษรายมิดนี่นะความตะนีนี่นะความตะนีความถือตัวจัดมานะ ก, กล้าว่างั้นเถอะแล้วก็ความริษยาริษยาเป็นยังไงริษยาก็คือว่าโอ้ขอความอัศจรรย์นี้จงเป็นแต่ของเราผู้เดีย ว, วนะอยากเป็นคนพิเศษที่สุดอ่ะนะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเห็นเขามีอะไรสักอย่างที่มันพิเศษกว่าเราแล้วทําใจไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าริษยา ความอยากนะีโลภะเนี่ยนะแล้วก็ความสงสัยวิจิกิจชาทั้งหมดก็ชื่อว่ากลิ่นเน่าเหมือนกันแล้วก็ความเบียดเบียนผู้อื่นเนะเบียดเบียนด้วยอาทยาด้วยศาสตราด้วยฝ่ามือเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่ากลิ่นเมนเนา่าความโลภความประทุสร้ายความมัวเมานะความเมาก็คือพวกประมาทเป็นต้นนั่นเองและความหลงความเขลา ผู้ประกอบไปด้วยกิเลสเหล่านี้เป็นผู้ไม่ปราศจากกลิ่นเหมน็นเน่าใครที่มีสภาพจิตที่เป็นลักษณะนี้เรียกว่าคนมีกลิ่นเหมน็นกลิ่นเน่ากลายเป็นสัตว์อบายนะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือไปอบายนะคือเจตนาอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อบายมีพรหมโลกอันปิดแล้วว่า ง, งั้นปิดทางแห่งพรหมโลกเปิดประตูอบายเลยว่า ง, งั้นไม่ใช่ปิดอบายเบิกฟ้านี่ไม่ใช่นะปิดฟ้า โอ้อาบานี่โล่งหมดเลยนี่ไม่ไหวนะเนาะข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงจากท่านผู้กล่าวถึงกลิ่นเหม็นอยู่โดยประการที่กลิ่นเหม็นเหล่านั้นอันผู้ครองเรือนจะพึงย่ำยีอย่างง่ายๆไม่ได้พรหมเนี่ยมหาโควินฟังแล้วโอ้โหนี่ถ้าอยู่ครองบ้านครองเมืองเนี่ยมันจะไปละได้ยังไงที่ว่าทั้งหมดนี่ข้าพเจ้าจักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยนะพอฟังจบเออบวชก็บวชมางั้น ตัดสินใจขณะ น, นั้นเลยบัดนี้ท่านโควินผู้เจริญย่อมสาคัญการเวลาอันควรว่างง้นท่านไปพิจารณาเอานะว่าเวลาไหนสมควรที่ท่านจะบวชทีนี้พอกล่าวจบสนังกุมารพรหมก็กลับพรหมมาโลกแต่ว่าเขาอายุยืนนะสนังกุมารพรหมเนี่ยเขาก็เป็นพรหมไปใช่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเป็นสวยพระชาติเป็นโควินตายจากโควินก็ไปเกิดในพรหม ตายจากพรหมแล้วก็ตายเกิดอีกตั้งหลายชาติแล้วมาได้เป็นพระพุทธเจ้าสนังกุมารพรหมเขาเขายังอยู่ที่เดิมนั่นแหละ อ, อายุยืนมากแต่ว่าพระโพธิสัตว์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะท่านพิจารณาอยู่ระดับหนึ่งแล้วท่านจะทำอธิมุตเนี่ยนะทำอธิมุดการกิริยาสำนวนลดังนั้กลั้นใจตายนะพูดแบบเราๆนะกลั้นใจตายคือรีบจะได้ลงมาบาเพ็ญบารมีเนี่ยนะ คือท่านสมมติว่ายุคไหนเออยยุคนี้สมควรที่จะมาเกิดได้และที่จะมาบำเพ็ญบารมีท่านจะมาเนี่ยนะท่านท่านท่านจะใคร่ครวญถึงเวลาที่เหมาะสมครั้งนั้นแลมหาโควินตาพราหมกก็เลยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุแล้วกราบทูลคำนี้กับพระเจ้าเรนุว่าขอพระองค์โปรดทรงสแสวงหาที่ปรึกษาคนอื่นผู้ที่จะพร่ำสอนเกี่ยวกับราชสมบัติของใต้ฝาละองธุลีพ บ, บัติได้บัดนี้ ไปถึงก็เชิญหาที่ปรึกษาใหม่ได้แล้วเหมือนกั น, น, นขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าอยากจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคําของพรหมกล่าวถึงกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นเหม็นเหล่านั้นอันพูกอยู่ครอบครองเรือนจะพึงย่ำยีไม่ได้ง่ายเลยขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเหมือ น, นั้นก็คื อ, อการที่จะไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะคนที่ไม่ได้เจริญชานจิต นะแล้วชาณจิตเนี่ยคนที่อยู่ครองเรือนเนี่ยเจริญยากวหมือนกนเถอะเพราะฉะนั้นมีความประสงค์ที่จะออกจากบวชเนี่ยนะเพื่อที่จะได้เจริญชาญเพื่อที่จะเข้าถึงพรหมโลกวหมือนกนพระเจ้าเรโน ก, ก็เลยเอยสงสัยบวชอยู่ตั้ง4ี่เดือนสงสัยรับสมบัติบ้านช่องห้องหอตรายได้คงจะพร่องไหมมั้งเนี่ยนะก็เลยนึกว่าเอคงมาคล้ายๆบบบางท่านเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มก็แกล้งเลาออกเนี่ยนะ ลักษณะนี้หรือเปล่าน ะ, นะแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลเชิญพระเจ้าเรณุภูมิบดีขอพระองค์โปรดทรงทราบด้วยราชสมบัติข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในความเป็นที่ปรึกษาว่างั้นสรุปว่าเซนใบาลาออกมางั้น ทีนี้พระเจ้าเรโน ก, ก็เลยบอกว่าถ้าท่านมีความต้องการยังพร่องอยู่เราจะเพิ่มให้ท่านจงเต็มที่ว่างั้นฮะสารวัตรทรัพสมบัติบอกพร่องไปใช่ไหมโอ้โหออกเหลียกเล่นตั้งสี่เดือนต้งสายทรัพย์สินมันร่อยหรอลงไปมันะ้งนเดี๋ยวจะเพิ่มให้อีกไม่ต้องกลัวว่างั้นหรือว่าเอ๊ไปอยู่บวชไอ้ใครไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหรือว่าใครเบียดเบียนท่านเราผู้เป็นจอมทัพแห่งแผ่นดินจะป้องกันท่านเพราะฉะนั้นท่านนี้เป็นเหมือนบิดาเราเป็นเหมือนบุตร ท่านโควินอย่าทิ้งพวกเราไปเลยเหมือนกันถ้าซับน้อยจะเพิ่มซับให้ใครเบียดเบียนบอกมาเถอะเหมือนกันเดี๋ยวจะยกทับไปเองเหมือนนโควินธพรมก็เลยบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการที่ยังพร่องผู้เบียดเบียนข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่เพราะฟังคําของอมนุษย์ข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในเรื อ, อนนะเพราะผีฝะพูดแท้เลยนะมาอยากฟิวบ้านคลองเรือนแล้วเหมือนน ฟังคำของอนมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์นะพรหมก็เรียกว่าผีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือไม่ใช่คนเนา ะ, นะคําว่าผีคืออะไรอา้าวไม่ใช่คนนั่นแหละทีนี้พวกอนมนุษย์พวกไหนล่ะนะพระเจ้าเรโนก็อยากรู้เอ้ไปฟังอนมนุษย์ที่ไหนมานะเขาได้กล่าวข้อความอะไรกับท่านซึ่งท่านได้ฟังแล้วจึงทิ้งพวกเราทิ้งเรือนของเราละทิ้งเราทั้งหมดฟังมายังไงเนา อ, อยังงถึงก็อยากจะออกอยากบ้านออกจากเรือนบวชเลยเนาะ มหาโควินก็เล่าว่าในการก่อนเมื่อข่าพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่แล้วเป็นผู้ใคร่บูชาไฟที่เติมใบหญ้าคาโทษช่วงแล้วคือตอนที่ไปอยู่บูชาไฟในป่าเหมือนั้นแต่นั้นพรมองค์เก่าแก่จากพรมโลกมาปรากฏกายแก่ข่าพระพุทธเจ้าแล้วพรมนั้นได้แก้ปัญหาของข่าพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าฟังคํานั้นแล้วจึงไม่ยินดีในเรือนปราชาก็เลยพูดว่าท่านโควิน ท่านกล่าวคำใดเราเชื่อคำนั้นของท่านอ่ะเชื่อละท่านฟังถ้อยคำของอมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอื่นได้อย่างไรพวกเราจักคล้อยตามท่านโควินขอท่านจงเป็นครูของพวกเราว่างั้นมณีไพฑูรย์ไม่ขุนมัวปราศจากมนทินงดงามฉันใดพวกเราฟังแล้วจักประพฤติในคำพร่ำสอนของท่านโควินฉันนั้นก็บอกว่าจะประพฤติตามอย่างไม่บกพร่องเลยว่างั้น ถ้าท่านโควินผู้เจริญออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแม้พวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตคติของท่านก็จะเป็นคติของพวกเราท่านบวชเราก็บวช ด, ด้วยเหมงอนกันเนี่ยพระราชาในใจเด็ดหน้าดูเลยนะออกบวชตามเลยครั้งนั้นแล้มหาโควินก็เลยเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อีกหองค์กษัตริย์อีกหองค์ว่าจะไปขอลาบวชอีกนั่นแหละทีนี้กษัตริย์นะหองค์ก็เลย บอกว่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปปรึกษากันก่อนเหมือนกัแอบไปปรึกษากันกษัตริย์หองค์ปรึกษากันว่าเอ๊ะพวกพรามพวกนี้เป็นคนละโมบในทรัพย์ยากันนั้นเลยพวกเราพึงเกลียดกล่อมโควินตพรามด้วยทรัพย์เหมือนกันเอาทรัพย์เนี่ยไปเพิ่มไหมอีกเหมือนกันเขาไม่บวชรับสงสัยเขาทรัพย์สินเขาร่อยหรอมากเหมือนกันกษัตริย์เหล่านั้นก็เลยเข้าไปหาโควินทพรามและตรัสอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสมบัติในสมบัติในราชสมบัติทั้งเจนี้มีอยู่ เพียงพอจริงๆท่านต้องการประมาณเท่าไหร่จากราชสมบัติทั้งเจนั้นอยากได้ส่วนแบ่งเท่าไหรว่างั้นเะนี่ยนะคุยกันแต่ผลประโยชน์เรื่องตามอย่างเดียวก็บอกว่าจงนํามาให้มีประมาณเท่านั้นต้องการเท่าไหร่จะเพิ่มให้นะจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่แล้วเพิม่มมยังไงก็ได้ว่างั้นอย่ากันนั้นเลยใต้ฝ่าพระบาทราชสมบัตินี้แม้ของข้าพระองค์ก็มีพอแล้วว่างั้นที่จริงก็มีเยอะแล้วละ่ะ สมบัติของพวกข่าพระ อ, องค์ก็อย่างนั้นเหมือนกันข่าพระ อ, องค์จะสละทุกอย่างแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตตามคําของพรหมผู้กล่าวถึงกลิ่นเมน็นที่ข่าพระ อ, องค์ได้ฟังมาแล้วนั้นแล้วว่ากล่นเม็นทั้งหลายเหล่านั้นอันผู้อยู่ครอบครองเรือนจะพึงย่ายีอย่างง่ายๆไม่ได้ข่าพระพุทธเจ้าจักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตครั้งนั้นและกษัตริย์6เหล่านั้นก็ลีกเป็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรอ ก, กันนะแแอบไปปรึกษากันก่อนเองีง ก็เลยปรึกษาเขาว่าเอ๊ขึ้นเชื่อว่าพวกพราหมณ์พวกนี้เป็นคนละโมบในสตรีเหมือนกันอยากกันนั้นเลยเราเพิ่งเกลี้ยกล่อมมาหาโควินดพราหมณ์ด้วยพวกสตรีเหมงอนกันสงสัยอยากได้ผู้หญิงเพิ่มมั้งก็เลยะ เ, เดี๋ยวจะเอาผู้หญิงไปล่ อ, อกษัตริย์เหล่านั้นก็เข้าไปหาโควินดพราหมณ์แล้วก็ตรัสอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญพวกสตรีในราชสมบัติทั้งเจนี้มีอยู่อย่างเหลือเฟือจริงๆท่านต้องการสตรีจํานวนเท่าไหร่จากราชสมบัติทั้ง7 จะนํามาให้จํานวนเท่านั้นเดี๋ยวไปเกณฑ์ผู้หญิงมาให้จะเอาเท่าไหร่เหมือนกันโอ้พอละฝาพระบาทรเหมือนภรรยาของข้าพระ อ, องค์มีสี่สิบนางผู้เสมอการเหมือนกั น, น, นข้าพอองค์จะสละนางเหล่านั้นทั้งหมดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกันที่มีอยู่สี่สิบก็พอแล้วเหมงอนกันแต่จะสละทั้งหมดนั่นแหละออกบวชเหมือนกนตามคําของพรหมผู้กล่าวถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่ข่าพระ อ, องค์ได้ฟังมาแล้วนั่นแหละกลเกณฑ์เหม็นเน่า เหล่านั้นอันผู้ครองเรือนจะพึงย่ำยีอย่างง่ายง่ายไม่ได้ข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิต ท, ท่านโควินผู้เจริญนะกษัตริย์ก็เลยฟังเอแสดงว่าเขาบวชจริงไว้ก็เลยบอกอ้าว ท, ท่านโควินผู้เจริญต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตพวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเหมือนกันและอันใดเป็นคติของท่านอันนั้นก็จะเป็นคติของเราแสดงว่าบวชนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะนะขนาดโอ้โ เอาทุกอย่างไปยกให้หมดก็ยังไม่เอาเลยนะจะบวชแสดงว่ารีจริงๆอขอบวช ด, ด้วยก็แล้วกันว่างั้นถ้าพวกพระ อ, องค์จะทรงละกามทั้งหลายซึ่งเป็นแหล่งที่ปุตุชนข้องได้แล้วจงปรารบความเพียรมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกาลังทั้งมีใจตั้งมั่นเถิดทางนั่นเป็นทางตรงทางนั่นเป็นทางยอดเยี่ยมพระสัตธมันพวกสัตวรร์บุตรรักษาแล้วเพื่อการเข้าถึงพรหมโลก มันอย่าลืมนะว่าคําสอนนอกาศาสนาเข้าถึงพ ม, ม่โลกอย่างเดียวอ้าวถ้าอย่างนั้นขอท่านโควินจงรอ7ปีก่อนโดยล่วงไป7ปีแล้วข้าพเจ้าก็จะออกจากเรือนเลิกเกี่ยวข้องกับเรือนเหมือนกันและอันใดเป็นคติของท่านอันนั้นจักเป็นคติของเราว่ารอ7ปีแล้วกันงนั้นอย่าเพิ่งบวชเลยนะนับจากนี้ไปอีก7ปีค่อยบวชองนั้นโอ้ใต้ฝ้าพระบาท7ปีนะท่านเกินไปอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่สามารถรอพระองค์ได้ตั้ง7ปีโอ้รอไม่ได้อย่างนั้น ก็ใครเล่าใครเล่าหนอจะรู้ชีวิตได้พบหน้าจำต้องไปตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปด้วยความรู้ต้องทำกุศลต้องประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีโอ้รอไม่ไว้เนาะชาติหน้าไม่รู้จะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าก็อย่างคำของพรหมกล่าวถึงกลิ่นเหม็นเนา่าที่ข้าพองได้ฟังมาแล้วนั่นแหละ เกล็นคาวเหล่านั้นอันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ํำยีอย่างง่ายๆไม่ได้ข้าพระองค์จักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเอาถ้าอย่างนั้นรออีกหปีก็แล้วกันลดมาเหลือ6ปีโอ้ไม่ได้นะหปีไม่ได้4ปีไม่ได้นานไป3ปีโอ้รอไม่ไหวสองปีไม่ไหวอีกนั่นแหละปีหนึ่งก็แล้วกันเออเดี๋ยวท่านครบปีหนึ่งแล้วนะข้าพเจ้า ก, ก็จะเลิกจากครองเรือนเหมือกนกันจะออกบวช ด, ด้วยไต่ฝ่าพระบาท หนึ่งปีนานเกินไปข้าพระอข้าพระข้าพระองค์ไม่อาจรอพระองค์ได้หนึ่งปีใครเล่าจะรู้ชีวิตได้พบหน้าจำต้องไปต้องใช้ความรู้ตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปต้องทำกุศลไว้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีก็อย่างคำของพรหมกล่าวอยู่เกี่ยวกับกลินเมนเน่ที่ข้าพระองค์ได้ฟังมาแล้วนั่นแหละกลินเมนเน่เหล่านั้นอันผู้อยู่ครองเรือน จะพึงย่ำยีอย่างง่ายๆไม่ได้ข้าพองศ์จักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตโอ้ถ้างั้นเจ็ดเดือนก็แล้วกันโอ้เจ็เดือนก็รอไม่ไหวเอาหเดือนไม่ได้สี่เดือนสมเดือนสองเดือนเครื่องเดือนก็แล้วกันพราเครื่องเดือนก็ไม่ได้นานเกินไปว่างั้นใครเล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งหรือเปล่าเครื่องเดือนก็รอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นโควินผู้เจริญจงรออยู่เจ็ดวัน กว่าพวกเราจะพร่ำสอนลูกและพี่น้องของตนในเรื่องราชสมบัติกันเดี๋ยวขอมอบไม้ราชสมบัติก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นโดยล่วงเจวันเราก็จะบวชเป็นบนรรปชิตเหมือนกันและคติอันใดของท่านอันนั้นก็จะเป็นคติของเราอ้าวเจดวันไม่นานดอกว่า ง, งั้นพอรอได้อ้าวเจวันก็นแล้วกันงั้นเสร็จแล้วก็เข้าไปหาบริวารอีกเจดคนเนีย่ยนะเข้าไปหาพราหมณมหาศารอีก7คนแล้วก็บริวารอีกเจ็ร้อ นะก็ไปลาแบบนั้นอีกนั่นแหละพราหมณ์ก็เลยบอกว่าท่านโควินผู้เจริญอย่าบวชเลยนะอย่าออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องกับเรือนเลยท่านผู้เจริญการบวชมีศักดาน้อยมีลาบน้อยความเป็นพราหมณ์มีศักดิ์ใหญ่มีลาบใหญ่โอ้ยบวชก็เสียรายได้หมดที่ท่านนะโควินแพราหมณ์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วจะต้องบวชวะงั้นทีนี้พวกพราหมณ์มหาสารเหล่านั้นทั้ง บริวารอีก 700, เจ็ดร้อท่านบวชนะบวช ด, ด้วยก็แล้วกันเหมืนทีนี้มหาโควินทพรามก็เลยเข้าไปลาภรรยาผู้เสมอกันสี่สิบนางว่าแน่นางผู้เจริญผู้ที่อยากไปสู่ตระกูลญาติของตนก็จงไปสู่ตระกูลญาติของตนเถิดเหมือนนใครคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติจะกลับไปอยู่ตามเดิมก็เอานะหรือจะหาสามีคนอื่นก็ได้ฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิต ก็อย่างคําของพรมกล่าวอยู่เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าที่ฉันได้ฟังแล้วนั่นแหละกลิ่นเหม็นเน่าเหล่านั้นอันผู้อยู่ครองเรือนจะพึงย่ำยีอย่างง่ายๆไม่ได้ฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบรณรฑิตโอ้ถ้าเป็นภรรยาจะทําใจยังไงดีนะภรรยาเหล่านั้นก็ใจเด็ดเหมือนกันเขาบอกว่าท่านเท่านั้นเป็นญาติของพวกดิฉันผู้ต้องการญาติและท่านเป็นพัสดาพวกดิฉัน ต้องการพัสดาถ้าท่านโควินผู้เจริญจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตดิฉันก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเหมือนกันและอันใดเป็นคติของท่านอันนั้นก็จะเป็นคติของพวกดิฉันสรุปแล้วก็โอภรรยาก็บวชหมดทั้งหมดก็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตกษัตริย์ทั้ง7พระองค์ก็ออกบวชพราม์มหาศารเจคนก็ออกบวชขราชบริพาน700ดร้ก็บวชภรรยา40นางก็บวชกษัตริย์อีกหลายพัน พราหม์อีกหลายพันเครือบดีอีกหลายพันสนมอีกไม่ใช่น้อยก็าพากันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ําฝาดบวชตามมหาโควินทพรามเป็นบนรรปชิตออกจากเรือนเลิกยุ่งเกี่ยวด้วยการครองเรือนแล้วก็บอกว่าเล่ากันมาว่ามหาโควินทพรามอันบริษัทนั้นแวดล้อมแล้วย่อมเที่ยวจาริกไปในคามนิคมราชธ า, านีก็โดยสมัยนั้นท่านมหาโควินทพรามเข้าไปยังนิคมใด ในคามหรือนิคมนั้นเป็นเหมือนราชาของพวกพระราชาเป็นเหมือนพรมของพวกพรามเป็นเหมือนเทวดาของพวกเครือหาพดีโดยสมัยนั้นพวกมนุษย์เหล่าดาแลย่อมไอหรือล้มนะลื่นหรือล้มพวกมนุษย์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่าขอนอบ น, อบนอบ้อมแด่ท่านมหาโควินทพรมขอนอบ น, อบนอบ้อมแด่ท่านปุโรหิตของกษัตริย์ทั้ง7ดพระองค์ของเราก็มีอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะ นท่านมหาโควินทรามนี้ก็บวชแล้วก็มีใจสหรคตไปด้วยเมตตาไม่มีเว้นไม่มีความพยาบาทแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็อย่างนั้นมีใจสหรคตไปด้วยเมตตาไม่มีเว้ไม่มีความพยาบา ท, ท, ท, 1, ท, 2, ท, 3, ท 4, กว้างข ว, ว, ว, วา ง, วางถึงความเป็นใหญ่ไม่มีจํากัดแผ่ไปตลอดทิศ ท, ทั้งเบื้องบนเบนืบ้องล่างเบืบ้องขวางทุกแห่งตลอดโลกอย่างทั่วถึงอย่านะ ก็คือเข้าไปเจริญพรหมิหารจนได้ฌานนั่นแหละเจริญกรุณาเจริญมูทิตาเจริญอุเบกขาก็โดยสมัยนั้นแหละมูสาวกของมหาโควินทภามเหล่าใดรู้ทั่วถึงแล้วซึ่งคําสั่งสอนทั้งหมดโดยประการทั้งปวงมูสาวกเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติพรหมโลกหมดอย่างนั้นคนที่ปฏิบัติ ต, ตามคําสอนจนทั่วถึงเนี่ยนะพรหมโลกหมดเลย สาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงคําสอนทั้งหมดอย่างทั่วถึงสาวกเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพ ร, ราะกายแตกบางพวกเข้าถึงสหายหมู่เทพชั้นปรินิมิตวัสวัสดีเนี่ยนะลดลงมากว่า น, นั้นอีกถ้าหากว่าไม่ได้ฌานก็ชั้นต่ํากว่าพรมหน่อยก็ปรินิมิตวัสวัสดีบางพวกก็ต่าลงมากว่านั้นอีกเป็นนิมมานรดีบางพวกต่ํากว่านั้นเป็นดุสิตบางพวกต่ากว่านั้นก็ยามาต่ํากว่านั้นก็ดาวดิงต่ำกว่านั้นอีกก็ ตาตุล ม, มหาราชิกาพวกท่านเหาใดยังกายที่เลวกว่าเขาทั้งหมดเนี่ยนะเลวมากเลยในกลุ่มเนี่ยนะก็คือเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเลวต่ํากว่าสุดเขาสุดเลยใ ห, เให้เต็มรอบให้เต็มรอบแล้วท่านพวกนั้นก็ยังกายแห่งคนทันให้บริบูรณ์เนี่ยนะที่กระจอกกว่านั้นเป็นเทวดานักร้องหมดแต่ก็สรุปแล้วก็เป็นเทวดาหมดะนะ ด้วยประการชนนี้แหละการบวชของกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดทีเดียวเป็นของไม่เปล่าไม่หมัน่นมีผลมีกําไรดังนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงระลึกเรื่องนั้นได้หรือปัญจสิกขทูลถามทั้งหมดนี่นะพรมเล่าให้ฟังว่าไงพระองค์นี้ยังระลึกเหตุการณ์อันนั้นได้ไหมเพราะพระองค์ก็บอกว่าระลึกได้อยู่ปัญจสิกขาเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ระลึกได้เนี่ยแสดงว่าพระองค์รับรองว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผทั้งหมดนั้นเท่ากับเป็นพุทธพจน์หมดเลยสมัยนั้นเราได้เป็นมหาโควินทะพราหมณ์เราแสดงทางนั้นเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมโลกแกมูสาวกก็แต่ว่าปัญจสิกะพรหมจันนั้นแลไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายก็เปล่าคือคือพรหมจันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอะไรหรอกเพื่อความคลายกำหนัดก็เปล่าคือพรหมจันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อ อ, อริยมรรคอะไรเลย เพื่อความดับเหลือก็เปล่าเพื่อเข้าไปสงบก็เปล่าเพื่อรู้ยิ่งก็เปล่าเพื่อตรัสรู้ก็เปล่าเพื่อพระนิพพานก็เปล่าสรุปแล้วว่าคําสอนเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกําหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นพรหมจรรย์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเพียงเพื่อการเกิดขึ้นในพรหมโลกเท่านั้นเอง ดูก่อนปัญจสิกขาก็พรหมจรรย์ของเรานี่แหละน่นะสมัยนั้นไม่ดีสมัยนี้ดีกว่าฟังกันเราจึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวดูก่อนปัญจสิกขาก็พรหมจรรย์ของเรานี่แหละจึงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับโดยไม่เหลือเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน สรุปแล้วนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเป็นชื่อของอริยมรรคกับพระนิพพานก็พรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับโดยไม่เหลือเพื่อเข้าไปสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเป็นไงเห็นไหมพรหมจรรย์ที่ว่าเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของอะไรพอนึกออกไหเป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดนะ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละว่างั้นทางอันประเสริฐนี่นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็นี้แหละคือพรหมจรรย์นั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับโดยไม่เหลือเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานก็หมู่สาวกของเราเหล่าไดแลย่อมรู้ทั่วถึงคําสั่งสอนเจนจบหมู่สาวกเหล่านั้นเพราะเส้นอาวสวะทั้งหลายทําเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ให้แจมแจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงในปัจจุบันอยู่เที่ยวนะถ้าเรียนจบคําสอนนี้เป็นพระอรหันต์อย่างเดียวว่างั้นเถอะ พรมจารย์นี้ประเสริฐมากถ้าใครเจนจบเป็นพระรหัตมูสาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงคำสอนหมดทุกแง่ทุกมุมมูสาวกเหล่านั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะเป็นผู้ปริณิพานในโลกนั้นเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานะเกือบจบแล้วนะเกือบจบและอีกหน่อยนึงว่างั้นถสรุปแล้วไม่เจนจบเป็นพระนาคามี นะครเป็นพระนาคามีก็สุทาวาตไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิมูสาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงคําสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุมพวกสาวกเอ่อบางพวกเพราะสังโยตสามสิ้นไปเพราะความที่ราคะโทสะโมหะเบาบางย่อมเป็นพระสะกท า, าคามีมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้ที่จริงพระสะกท า, าคามีนี่มีหลายประเภทนะ พระสกทาคามีที่บรรลุแล้วจะบรรลุเป็นพระระยะบุคคลสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่เรียกว่าผู้มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวหรือพระนาคามสกทาคามีที่ไปปฏิสนธิในเทวดาแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็นิพพานในชั้นสูงต่อไปก็ไม่เรียกว่าพร ะ, ะ ท, ที่กลับมาคราวเดียวมุ่งเอาพระสกทาคามีที่จะมาเกิดอย่างเดียวเท่านั้นเองนะพระสกทาคามีนี่มีหลายประเภทนะแต่ว่า ประสงค์เอาผู้ที่จะกลับมาปฏิสนธิคือมานอนในคันอีกครั้งหนึ่งมนมูสาวกเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงคำสั่งสอนหมดทุกแง่ทุกมุมบางพวกเพราะสังโยชสามสิ้นไปย่อมเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนมีความตรัสรู้เป็นเบื้องหน้านะเรียกว่าโพธิปรยโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้นะเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ชิดประตูพระนิพพานแล้วนะ มองเห็นฝั่งแล้วแต่ว่ายังไหวไม่ถึงเหมือนกันด้วยประการดังที่กล่าวมานี้การบวชของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดทีเดียวจึงเป็นการบวชที่ไม่ศูนย์เปล่าไม่เป็นหมันมีผลมีกำไราบางแห่งกล่าวว่าผู้ที่ศรัทธาในคาสอนของพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่ไปอาบายคอยมีศรัทธานะ ปัญหาต้องการรักษาศรัทธาได้หรือเปล่านะมีแล้วล่ะแต่รักษาไม่ได้ใช่ไหมมีเป็นพักๆหรือเปล่ามีเป็นพักๆในเอ๊ะเอาบุญอันไหนดีนะไปเกิดเพราะฉะนั้นใกล้จะตายนี่แหละเป็นเครื่องวัดไครเศร้ามองหรือผออ่องใยนะเพราะอะไรเพราะทําทั้งทั้งดำทั้งขาวเนี่ยนะถ้าทั้งดําทั้งขาวอย่างนี้ก็เครื่องตรวจสอบครั้งสุดท้ายก็ใกล้จะตายนี่แหละแล้วใครจะรู้ล่ะ โกนชันโย ม, มรนังสุเวใครเล่าจะรู้จักความตายในวันรุ่งนั้นไหมเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเห็นไหมคนที่เขาตายส่วนใหญ่นี่นะเขาก็ไม่ค่อยพร้อมเหมือนเรานี่แหละเพราะนั้นเราก็จะได้ประมาทในชีวิตเลยเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ประมาทก็คือคนที่ที่ตายแล้วนั่นแหละว่าคนที่ประมาทก็มีชีวิตอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นรูปอะไรเป็นจิตตชรูปนะเป็นจิตตชรูปจิตตชรูปชนิดไหนจิตตชรูปสามมันจิตตชรูปสามมันเกิดจากจิตไหนเป็นสมุทรานเกิดจากพวังหรือเปล่าผวังด้วยนะแต่เราก็ไม่ได้หลับตลอดถ้าตื่นอยู่เลยเกิดจากจิตชนิดใดนะส่วนใหญ่ก็ชาวนะนั่นแหละ น้นถ้าหากว่าเราหายใจด้วยโลภะนะชีวิตขณะนั้นก็เป็นชีวิตเปล่าเป็นชีวิตแค่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจด้วยจิตที่เกิดจากโทสะที่เกิดจากโมหะเนี่ยนะชีวิตเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนตายแล้วนะขณะนั้นนั้นนะเขาบอกว่าเพราะคนตายไม่งอกเงยใช่ไหมไม่งอกเงยไม่งอกงามฉันใดคนที่จิตใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลก็ลักษณะนั้นเพราขณะนั้นจะไม่มีความ งอกเงยอะไรเลยกุศลศีลก็ไม่เกิดขณะที่เป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อกุศลศีลไม่เกิดคําว่าศีลหมายแปลว่าอะไรนะคาว่าศีลโดยความหมายว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงนั้นถ้าขณะที่โลภะเกิดก็ไม่ใช่ศีลโทสะเกิดก็ไม่ใช่ศีลโมหะเกิดก็ไม่ใช่ศีลเพราะฉะนั้นรองรับคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้ น, น, ไ ป, ไะะ น, นปิดฟ้าแหวกอบายแต่อย่างี้ก็ อย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นปิดอบายเบิกฟ้าเย่างว่ากนะันถ้าหากว่ายังไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ไปพักผ่อนเลยนะไปบีบนวดนางวิสาขาเปิดทางยาเล่าธรรมะให้ฟังบ้างนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วปัญจสิกะคนทันเทพบุตรมีใจเป็นของตนเห็นไหมคำว่ามีใจเป็นของตนก็คือมีใจเป็นกุศลถ้าหากว่าใจเป็นอกุศลนี่เขาเรียกว่าไม่มีใจเป็นของตนแล้วมีใจเป็นของ อย่างอื่นไปแล้วกิเลสเอาไปกินหมดแล้วเหมงอนกันเมื่อเช้าเปิดคอมพิวเตอร์ทําไมมันมีแต่จุดจุดเออคอมพิวเตอร์เราเป็นอะไรนะตั้งนานเพิ่งนึกว่าโอ้ไวรัสมันลงเป็นอย่างนี้เองนะมีโหตัวพิมพ์ที่สําคัญสำคัญเออเราไปกดตรงไหนผิดหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> นึกไปนึกมาโอ้ไวรัสกิน <c oughs> นะไม่เป็นของตนเลยคนนี้จะเอามาจัดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างก็ต้องพิมพ์ใหม่ เพราะคนที่ใจไม่เป็นของตนเนี่ยนะโลภะเกิดก็จะลักษณะนั้นนะไวรัสได้เข้าไปแล้วกินหมดแล้วขณะนั้นเนี่ยนะโทสะเกิดก็เหมือนการโมหะเกิดไวรัสลงจิตหมดเกลี้ยงเนยนะนั้นเสียหายแล้วนะนั้นก็ต้องแก้ใหม่ทํำยังไงถ้ า, ากุศลจิตเกิดขึ้นนะขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดไม่สํารวมทางใจถามว่าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร บริสุทธิ์ได้ยังไงชั่ระได้ไหมได้ชั่ระด้วยการอธิษฐานนะถ้าถ้าล่วงมาทางกายกรรมนี่นะวจีกรรมเครียกว่าเทศนาสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการแสดงถ้าเป็นของพระเนี่ยนะถึงก็เป็นอบัตแต่ถ้าหากว่าอินทรีย์สังวรศีลนี่นะปล่อยใจไปบาปเป็นไปกับบาปในะขณะเห็นได้ยินเป็นต้นสําเร็จด้วยการอธิษฐานถ้าปัจใจศีลสําเร็จด้วยการพิจารณานี่ยนะนะนะตั้งกนณีไปเนี่ย ตั้งการตั้งกาเดินออกไปเลยเนี่ยปั จ, จเจกมั่งนึนั่นแหละนะนะเพราะว่าปัจจัยาสา ร, สราสนิสิตศีลสำเร็จด้วยการพิจารณาอาชีวะสำเร็จด้วยความพยายามด้วยความเพียรเห็นนะนี่ก็หมดเวลาแล้ว